เราอยู่ในยุคที่ฝากฝังความดีไว้กับพระไม่ได้เพราะมีชาวบ้านนิสัยไม่ดีคิดบวชเป็นพระกันมากเราต้องฝากฝังความดีไว้กับชาวบ้านก่อนจึงจะมีชาวบ้านดีๆคิดบวชเป็นพระกันมากขึ้นเราด่าพระที่ทำผิดวินัยฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะชาวบ้านมักเอาเครื่องกระตุ้นกิเลสไปให้พระเราต้องด่าตัวเองด้วยตอนเผลอเอากิเลสไปถวายท่าน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 เพราะชาวบ้านชอบของขลังชอบคำทํานายจากพระเราต้องคาดหวังให้ตัวเองชอบเจริญสติเจริญธรรมก่อนจึงจะมีชาวบ้านร้องขอให้พระประพฤติธรรมเวเทศนาพระทุกรูปเริ่มต้นจากการเป็นชาวบ้านก่อนชาวบ้านเป็นอย่างไรแนวโน้มของพระก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงฝากฝังพระศาสนาไว้กับคนในบริษัทพุทธสี่จำพวก คือท่านไม่ได้ให้ไว้ใจพระฝากภาระไว้กับภิกษุฝ่ายเดียวแต่ยังมีภิกษุณีอุบาสกคือชาวบ้านที่เป็นชายและอุบาสิกาคือชาวบ้านที่เป็นหญิงด้วยสถาบันสงฆ์อยู่ในภาวะวิกฤตสถามานานหากไม่หันมาเน้นกันเรื่องความรู้ความเข้าใจพุทธศาสนาโดยรวมก็คงตกอยู่ในอันตรายเหมือนตึกสูงที่ตั้งอยู่บนเขตพื้นที่แผ่นดินไหวหนัก ไม่ช้าก็าต้องพังทลายลงแต่ถ้าคาวราวาดยังช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งของการศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเปลี่ยนจากยุคบอกต่อว่าพระวัดไหนดีมาเป็นช่วยช่วยกันตอบว่าธรรมะข้อไหนดีที่เป็นที่พึ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ผลธรรมะจะไม่ใช่แค่ของสูงขึ้นหิ้ง ไม่ใช่หัวโขนเอาไว้หลอกตากันแต่เอาไว้แก้ทุกข์และเพิ่มสุขในชีวิตประจำวันให้กันและกันในที่สุดธรรมะจะเผยความเป็นอมะตะมีศรัทธาอันมั่นคงของผู้คนเป็นที่ตั้งและจะช่วยให้พระรุ่นต่อไปเป็นพระน้ำดีมากขึ้นและผลที่ได้ไปถึงรุ่นลูก ร, รุ่นหลานจะเป็นการคงอยู่คู่ฟ้าดินของพระศาสนา